พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอนธานีแสดงธรรมในวันที่22กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าอยากให้ความดีเกิดเราต้องส่งเสริมเดี๋ยวหลวงพ่อจะ พ, พูดป่ารบเรื่องงานวันนี้เลยนะ นั่งฟังสักก่อนก็ได้ยังค่อยเราจะให้พรวันนี้เป็นวันที่22กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้พวกเราได้ปารบงานพิธีสวดพุทธมนต์ถวายสักการะสมเด็จญาและสมเด็จพระราชบิดาเพื่อขอพระขอพร ะ, พระราชาราชานุญาต เคลื่อนย้ายแท่นประดิฐานพระรูปจำลองเพื่อให้สูงขึ้นสูงเด่นเพราะว่าพวกเราได้ทำปรั บ, ร บ, รบพื้นที่เพราะอาคารมันมีทั้งสองข้างกระทำให้พระรูปไม่โดดเด่น อ, อ, อยู่ในมุมอับเพราะนั้นท่านขณบดปีรักษคณะแพทย์คณะ กรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีนครินก็เห็นว่าควรจะยกพระรูปให้สูงเด่นเป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่ได้มาพบมาเห็นในโรงพยาบาลเพราะนั้นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัญชัยพานทองวิริยะท่านเป็นคณะบดีแพทย์ เศศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์ขอนแก่นที่แผ่นเป็นประธานในงานในวันนี้ก็ได้ประชุมหารือกันกันกบคณะทุกท่านก็เห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะยกพระบรมรูปขึ้นไปให้สูงเพื่อเป็นปฏิสถานเพื่อสงงางามของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพราะนั้นจึงมีวันนี้ขึ้นมา จึงได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นก็จะได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์มนเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลแต่เมื่อเราพวกคณะได้ทราบว่าท่านคณะบดีกับคณะเมื่อไดออ้ยกพระบรมโรคขึ้นแล้วต่อไปเมื่อเดือนตุลาธันวาเมื่อสะดวกทราบว่าพระเทพท่านเจ ะ, ะเดช ตามปกติท่านก็เสด็จมาอยู่แล้วที่สีนครินตอนประธานปริยาบัติจากนั้นก็จะได้สมโพธิเพื่อเป็นมงคลมหามงคลต่อไปแต่วันนี้คราวนี้ครั้งนี้พวกเราได้มาร่วมมารวมกันกับเพื่อเป็นการเฉพาะหน้าที่พวกเราได้ท่านคณะบุรีกับคณะได้ปรับปรุงภูมิทัศทำถนนหรือว่าทำ ที่หน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวพวกเรากําลังเห็นกําลังปรับปรุงกันอยู่แต่เมื่อปรับปรุงขึ้นมาแล้วพ่อประหลงพระลูกรู้สึกว่าต่ำเตี้ยไม่ส ง, ง่างามจึงได้เห็นพร้องต้องการว่าคงจะยกพระพุโลกให้สูงขึ้น เ, เพื่อเป็นส ง, ง่างามของโรงพยาบาลศรีนครินจึงมีวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งแล้วก็ คณะสงฆ์คณะสัทยาธาิโจมทุกท่านที่มาร่วมมารวมกันได้ฟังได้เจริญพระพุทธมนตรได้ฟังพระปริตตะมงคลที่จบลงไปสัสกครู่นี้แต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อในนามพระสงฆ์ที่มาร่วมสวดพระปริตตะก็อยู่ในป่าดงพงไผ่ก็เห็นว่าสีนักครินแห่งนี้เป็นที่ เชิดชูบูชาส่วนหนึ่งชื่อของพระองค์ท่านกัสีนครินอยู่แล้วพวกเราเคารพซึ้งถึงใจที่ท่านให้คุณูปการต่อลูกต่อหลานทางภาคอีสานของพวกเราถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลเรคะนั้นจึงได้มีวันนี้ขึ้นมาขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนเนอะถ้าอยู่นักสถานที่ใดให้เป็นคนดีคิดดีทําดี พูดดีเพื่อเป็นเป็นการบูชาพระคุณทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นั่นอันนี้คือพวกเราอยู่ในใต้ร่มพระบรมมีของพระองค์ทุกๆพระองค์ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีพระบรมราชินีกรดีท่าว่าทรงพระประชวนอยู่ก็ขอให้หายจากโรคขาพยาธิเวท พวกเราตั้งจิตอธิษฐานทุกคู่ทุกคนนี่แหละที่มาร่วมมารวมกันทําพิธีในวันนี้ขอถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีและพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอให้เจริญเป็นขอให้เจริญเป็นร่มโพร่มใสของพวกเราประสงฆนกรลูกหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย และกพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านขอให้ประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราบุญกุศลนั่นแลจะเป็นเครื่องเชิดชูบูชาในจิตใจของเราถ้าว่าผู้ใดก็ตามคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอันนั้นไม่ดีเมื่อกำชั่วให้ผลในปัจจุบันและอนาคตไม่ดีทั้งนั้น เ, ออเพราะว่ากำชั่วในปัจจุบันก็ไม่ดี การกระทำในปัจจุบันก็ไม่ดีการกระทำต่อไปในอนาคตก็ไม่ดีถ้ากรรมชั่วและถ้ากรรมดีทำในปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีเมื่อทำลงไปแล้วก็มีแต่ผลดีตามมาเพราะทำแต่กรรมดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านในหลักของพระศาสนากรรมคือการกระทำถ้าทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าทำชั่วแล้วจะดีได้ยังไงเน้ให้พวกเราอันไหนที่ดีชั่วพวกเราก็รู้แก่ใจ แกพวกเราพ ว, พวกทุกท่านเพราะว่าพวกเราไดเา้เรียนรู้ได้ศึกษามาถึงระดับนี้แล้วดีกับชั่วพวกเรารูา้แต่มันจะสู้กิเลสภายในใจของเราได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าว่าเร า, เามีกิเลสยังหยาบในจิตใจเราก็ฝืนมันไม่ได้สู้มันไม่ได้ถ้าว่าพวกเราพยายามฝืนพยายามสู้พยายามประกอบทำคุณงามความดีคุณคุณงามความดีก็จะเข้าสู่จิตใจ ความดีก็จะงอกเงินงอกเงยเจริญยาวแต่ถ้าว่าพวกเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็เจริญงอกงามอีกเหมือนกันนะถ้าเราจะส่งเสริมอะไรในใจของเราควรจะขอให้พวกเราส่งเสริมคุณงามความดีก็แล้วกันนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านนะเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเสน่ห์เมื่อรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะได้อ จริญพระพุทธมนแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริเป็นมงคลต่อไป